อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาชัดในปัจจุบันอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้ายังสงสัยอยู่เขเรียกว่าไม่รู้ตามเป็นจริงโลกมันจะมีลูกไม้มาแบบไหนก็ตามมันก็เป็นเรื่องเก่าของมันลูกไม้เก่าของมันลูกไม้เกิดขึ้นที่แปลปวนระดับไปนั่นเองนั่นครับเกิดขึ้นแปลปวนระดับไปนั่นเองเรียกว่าสังขารจรีว่าโลกตั้งปู ถ้าลูกตาไมจริงสิ่งเหล่านี้แล้วควาถ้าเยอะทะยานในโลกทั้งปวงมันก็มันเทาลงแล้ามันไม่สงสัยพราะความหวังของมันก็ผ่อนคลายลงมันจะหวังอะไร ใ, ในโลกทั้งปวงถ้าหากว่าโลกทั้งปวงมีแต่ความเกิดขึ้นแปรปรวนแต่สลายแล้วมันจะหวังเอาอะไรอีกทีีน้ถ้ามันยังหวังอีกก็เรียกว่ามันเห็นโลกยังไม่ชัดต้องพิจารากัน ที่นาอนิจจังทุกขั้งอนัตตาพร่อเขาลมหายใจเขาออกให้เป็นเป้า อ, อันเดียวกันเลยไปทางรัทนี่คือตัวศีลสมาธิปัญญาชั้นสูง ส, สัพเพฆังฑาราอนิจจา ส, สัพเพฆัณฑาราทุกขาสัพเพธรรมอนัตตาติเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนั่นแหละเป็นทางแห่งวิสุทธิคือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ ท่านยืนยันพรบรมศาสนาเรียกว่าไปทางรัทธิทำไมถึงพอใจไปทางรัฐเพราะเราเข้าใจชัดเราก็ไปทางรัฐได้ถ้าเราไม่เข้าใจชัดเราก็ไปทางรัฐไม่ได้ที่เข้าใจชัดเพราะเหตุใดเพราะศรัทธาเราแก่ก้าศีล ส, สมาธิของเราแก่ก้าเราสามารถไปได้เราสามารถอุ้มไปได้ ทำไมเขาถึงสามารถขี่จะกรวานไปเพราะทุนทรัพย์เขามีเขาก็ไปถึงเร็วผู้ไปกรุงเทพสมมติผู้มีทรัพย์พอไปเครื่องบินเขาก็ไปเครื่องบินที่เร็วกว่านั้นเขาก็ต้องการไปก็มีแต่ว่าเร็วกว่าเครื่องบินคงไม่มีในประเทศไทย เรีว่าเขาผ่านไมมผ่านโคราชเขาก็ผ่านเหมือนกันเขาคนทางไปทางนั่นเหมือนกันผู้ที่นั่งฟังเทศสําเร็จพระรหันเขาผ่านพระสวดาบันหรือไม่เขาเป็นผู้ทุชนคนหนาอยู่เขาก็ผ่านเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ยั่งอยู่เหมือนขึ้นบันไดเขาไม่ได้ทำเรียร์รอเขาขึ้นตะลอดเปิดเปิงไปเขาไม่ไ้ข้างอยู่ขั้นบันไดขั้นใดขั้นหนึ่งเขาขึ้นไปเลยแต่ว่าเขาผ่าน โซดาวันรัชาคามีนาครามเหมือนกันเมืม่อใดสมณพราพมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพราหณ์ย่อมหมดไปเพราะมาลู้ธรรมทั้งหลายว่าเกิดแต่เหตุคือเห็นอ น, นิจจังชักนั่นเองนั่น เ่อเห็นอ น, นิจจังคัดก็เห <gem> ็นท so ุกข์คัดเหมือนกันกูเห ah ็นอนัตตาชัดเหมือนกันเพราะมันอยู่ในเป้าอันเดียวกันไม่ใช่คนละเป้าเป้าอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันอยู่ที่เป้าใดมันก็อยู่ที่เป้ารูปเป้านามแค่นั้นเป้ารูปเป้านามรวมเป็นเป้าอันเดียวกันซะทีนี้อนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็เป็นเป้าอันเดียวกันนั่นโลกก็เป็นเป้าอันเดียวกันแล้วพะโลกทังวงยนลงมาเป็นสังขารโลก โลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกพม่าโลกโลกอะไรต่ออะไรย่นลงมาเป็นโลกอันเดียวกันย่นลงมาเป็นสังขารโลกเพราะเกิดขึ้นได้แปลปวนและสังขารแตกสลายสังขารแบ่งเป็นสองอุปาทินาคาสังขารสังขารที่มีใจฟองอนุปาทินาคาสังขารสังขารที่ไม่มีใจฟองเช่นต้นไม้พงหญ้าเป็นต้นก็เป็นพืชชค่นี้หนึ่งสิงเหล่านี้เกิดขึ้นได้แปลปวนและแตกสลายทั้งนั้น สิ่งไหนที่เกิดขึ้นเนื้อแ ป, ปะปอนแต ก, กสลายสิ่งนั้นจะมีวิญญาณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันก็เป็นทุกข์ดีๆอยู่ในตัวนี้เองเช่นต้นไม้ถูกแดดเผาก็ต้องเขาถูกไฟเผาก็เขาเหมือนกันหรือถึงกับตายดินหญ้าเ่านี้ไม่อยู่ตามสภาพเก่าฝนชะฝนพังลงมาสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลก อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเมื่เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาชัดแล้วความสงสัยในโลกทั้งปวงมันจะมาจากประตูไหนทีนี้เมื่อความสงสัยทั้งปวงไม่ไม่มีไม่ไม่มีมาทุกจะมาจากประตูไหนเพิ่มขึ้นมันก็มีแต่ลดหย่อนผ่อนคลายลงนั่ความทะเยอทยานในโลกทั้งปวงก็ไม่กล้าไม่อาจฐานไม่ผึงงภายเหมือนแต่ก่อนทีนี้ยุบตัวลงยิ่งภาวนาอะไรก็ยิ่งเห็นชัดเท่านั้นก็ยิ่งลดความทะเยอทยานในวัฏฏสงสารลง ยิ่งนายความหลงของตนเข้าคำว่านายก็ให้หนายความหลงของตนนั่นเองคำว่าชนะก็ให้ชนะความหลงของตนนั่นเองความหลงจะตั้งอยู่รอบเมืองใจไม่ได้เพราะใจฉลาดถ้าใจโ ง, ง่ความหลงก็รุมเข้ามาตอนไห น, นเวลาไหนใจฉลาดความหลงก็ถอยออกเวลาใจโ ง, ง่ความหลงก็เข้ามาหาเข้ามาแย่เก้าอี้เก้าอี้ใจ เมื่อเวลาใจขนาดความหลงก็ถอยออกไปทีนี้เมื่อเห็นโลกชัดทีนี้ความหลงก็ต้องขาดชัดที่ควา ม, มสงสัยก็ขาดไปแล้วเมื่อคืนมาสงสัยอีกไปเป็นดัมตอนเลยหนักโลกทั้งปวงมารวมอยู่ที่ใจแล้วสังขารทั้งปวงเขมารวมอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้ไปหลงสังขารเพราะใจเป็นผู้ไปหลงโลกเพราะใจเป็นผู้ไปหลงอดีตอนาคตเพราะอาดีตอนาคตปัจจุบันก็ใจเป็นผู้ เป็นผู้บัญญัติขึ้นเมื่อใจฉลาดจะบัญญัติขึ้นให้ตนหลงทำไมนะักตาหูจมูกเลื่อนกายก็ใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นที่นี่ใจไม่มีใครบัญญัติให้ก็ใส่ทุกโขนสวมหัวตนเองว่าใจใจใจใจแต่ไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจนั่นเองนะัสมมุติทั้งหลายก็อยู่ที่ใจ คามรู้พลก็จะต้องใจเป็นผู้รู้พ้นเพราะใจเป็นผู้สมมุติขึ้นเนี่ยผู้เขียนเป็นผู้ใจก็เป็นผู้เขียนผู้ลบใจก็ต้องเป็นผู้ลบใจเป็นผู้สร้างขึ้นทีนี่สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ใจก็จึงสร้างขึ้นสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ใจจะสร้างขึ้นมาเบียดเบียนตนทําไมแน่นลนลงมาเป็นเอกนิบาตทีนี้เรียกว่าภาวนาโอกรนยโกน้อมลงมาใส่ใจซิ่งความสงสัยก็สิ้นความสงสัยจากไกลไม่สิ้นความสงสัยก็ไม่สิ้นความสงสัยจากกล ใจหลงใจตอนไหนใจก็หลงทำตอนนั้นใจรู้เท่าใจตอนไหนใจก็รู้เท่าทำตอนนั้นใจปฏิบัติใจตอนไหนใจก็ปฏิบัติทำตอนนั้นนั้นเราจะพิจารณากรรมฐานอะไรก็ตามถ้าไม่มีใจเป็นหัวหน้าเราก็ภาวนาไม่ได้เช่นกําหนดลมใหยใจเข้าออกกรดีกําหนดพิจารณาคนตายกรดีเป็นกําหนดยุบหน่อพองหนอกรดีคนตายภาวนาไม่ได้เพราะวิญญาณม่อยู่ที่นั่นก็มีใจเป็นหัวหน้า ทุกอันทุกอันทุกอันทุกอันเมื่อรูปปัญหาของกายใจรูปปัญหาของตนตนรูปปัญหาของกายแล้วก็เรียกว่าแก้ตนได้แก้ใจได้เพราะสิ่ ง, งต่างๆใจเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบ ล, ยลอยๆไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนมาสร้างพระเจ้าองค์ใจเป็นผู้สร้างถึ้นพราะบรมศ า, าสานาก็สอนใจคนว่าใบาเสี้ยจรีพิษมนุษย์ก็ไม่ได้สอนะท่านลำเอียงหรือไม่ลำเอียงเพราะมันไม่มีใจรับ ก็ไม่สอนเส้นโค้งหรือทางน้ำที่มันรั่วแล้วเราไม่เทน้ําใส่เราลำเอียงไหมเราไม่ลำเอียงเพราะมันไม่รับน้ําำในก็ดีเมื่อใจเป็นว่าไม่เสียจิตเด็ดมื่อพูเพราะเรามาศาสดาก็ไม่สอนเอาแต่ว่าลําเอียงก็ไม่ได้ทหารก็เหมือนกันผู้ใดไม่พอจะแบกปืนได้ใช่หันขวาหันไม่ได้เขาก็ไม่เอา แต่ว่าเขาลาเอียงก็ไม่ได้เพราะมันไม่แข็งแรงทำทั้งหลายเป็นไปส่วนเดียวคือจิตใจรักษาศีลตัวเดียวรักษาสมาธิตัวเดียวเรียกรักษาปัญญาตัวเดียวรักษาอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้รักษาสติก็ใจเป็นผู้มีสตินิสติอยู่ที่ใจพูดอะไรพูดอะไรก็พูดแต่เรื่องใจบางคนมาคัดข้างถ้าอย่างนั้น ก็จะไปมนพระมาทําไมแล้วก็แยกต่อไปอีกว่าคนตายไปมพระไปไหมเป็นไหมก็คนเป็นมีมีใจจึงพาไปมนฑปนี่มพระเป็นเราก็พูดอย่างนี้นี่ก็สู้เราไม่ได้จริงถ้าอะไรพูดแต่ใจแต่ใจถ้าอย่างนั้นไปมนพระมาทําไมนี่มพระมาทําไมผู้ไปนี่มณฑปก็เป็นผู้ที่มีคิดใจไปมนฑปผีตายมันไปมนฑปไม่ได้เพราะวิญญาณมาอยู่ที่นั่นเขก็พูดอย่างนี้ ร่างกายมันก็เปียบเหมือนรถเหมือนเรือจิตใจเปียบเหมือนผู้ขับขับไปทางดีส่วนผลลัพธ์ก็เป็นใจเป็นผู้ได้รับทางดีทางชั่วเหมือนกันเหตุฉะนั้นนักฝ่าท่านจึงยืนยันว่าศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวตั้งมั่นอยู่ที่ใจตัดสีนอยู่ที่ใจ รอบครอบอยู่ที่ใจเรียกว่าปัญญายกลงสินเข้มาที่ปัญญาก็อยู่ที่ใจโทษจงเกตมักมีองแปดมันอยู่ในตัวหนังสือนอกอันนี้เป็นตัวหนังสือในแท้มีทั้งตำราด้วยมีทั้งยาด้วยมีทั้งคนไข้ด้วยอทั้งรักษาคนไข้ด้วยคนไข้ก็หายด้วยมันมีอยู่ในนี่ครบแล้วอคนไข้ก็คือใจถ้าหายไข้ก็คือใจเป็นผู้หายจากความสงสัย ไม้ผลก็ได th ้ผลอยู <t un ash vegan> ่ทีน in no ั่นเสียก็เสียอยู่ที่นั่นในที่นั้นท่านเจียงพิจรณาจงพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก็สักว่ากายไม่ใช่สักบุตรตนตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายาในปัศนาจงพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุครตตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานปัศนา พิจารณาใจที่เศ้ามองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจนี่ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงคิดตานุปันาสติกำหนดพิจารณาที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิด ก, กับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุทัศนาเท่านั้นโดยใจความก็คือพิจารณาใจให้ว่า เพื่อมาให้มีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลอยู่ในที่นั้นเป็นแต่สักว่าใจเมื่อใจเป็นแต่สักว่าใจทำเขาเป็นแต่สักว่าธรรมกายก็เป็นแต่สักว่ากายเวสนาสัญญาสังขารมิยานก็คอยเป็นกัไปตามด้วยไม่มีใครเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็เป็นของว่างชนี้ว่างจากสัตว์จากบุคคลเมื่อใจเป็นของว่างทำทั้งหลายที่ไหลลงสู่ใจก็เป็นธรรมอันว่างเป็นธรรมที่ไม่มีพิษเหตุไส้ใจจึงมีพิษธรรมจึงมีพิษก็เพราะมีผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ทำชั้นสูงของพระพุทธศาสนาเราจะปรารถนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็จะปรารถนาไปพระนิพพานเท่านั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนให้เข้าสู่พระนิพพานคือดับเพลินในว oh. ัฏสงสารนั่นเองพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสอนให้ดับเพลินในวัฏสงสารนั่นเองดับเพลินในเกิดในแก่ในเจ็บในตายนั่นเองเรายินดีในศาสนาพุทธ ก็เทากับยินดีในศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรายินดีในศาสนาพระโคดมก็เท่ากับว่ายินดีนะพุทศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเป็นธรรมส่วนเดียวกันไม่ไดร่างพรบเหมืนอนกฎหมายคนหมู่ของพวกเรามาเป็นทุกยุค ก, ก็ไมาไดร่างพระราชบัญญัติตรงกันหมด น, นัเออพระโคจะมะมันอยากชี้ขาบทบวชค่องไม่เหมือนเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไม่คัดข้านกันลงเอวยกันหมดนัเพราะมันถูกทําพอแล้ว ไม่มีที่จะดับไปลงมีศ า, าสานาศาสนาใดๆในโลกจึงเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดม่นต้องอวดดีกับพระพุทธศาสนาดอกศาสนาอื่นๆมาอวดดีกับพระพุทธศาสนาก็าค่อยๆก็ว่าชาวไทยโลกธาตุอวดดีต่อฝ้าบ้วนน้ำลายขึ้นเอาเถ อ, อะน้ำรายชิดจะมีฉิดขีดมหาสมุทรมันก็ไม่ถึงนั่นยินดีในพระพุทธศาสนา ธนคิตเดียวยังยินดีกว่านักธิศาสนาอื่นๆตั้งล้ า, านล้านธนคิตยินยีในพจนทุกในวัฏสงสารในศาสนาพุทธธนคิตเดียวยังยินดีกว่าสิ่งอื่นๆในไตโลกธาตุตั้งล้ า, านล้านธนคิดมันมีกําลังด้วยมันเป็นมหาเหตุนาด้วยมันไม่ประมาทด้วยมันมีพีติด้วย มันอิ่มใจด้วยมันอิ่มใจในทางที่ถูกมันไม่ใช่อิ่มใจในทางที่ผิดมันไม่มีโทษ ด, ด้วยมันเป็นมหาสุภาสิทด้วยสุภาชิตาเจยาวาจาสุภาสิทที่ชักชวนให้เบื่อหนา่ายคลายเมาในวตาทสงสารเป็นมหาสุภาสิทสุภาสิตธิ์ใดที่ทําให้หลงมัวเมาในวาตาทสงสาร สุภาษิตนั้นเป็นสุภาษิตของพระเทวทัตของโกนของมารของผู้จะท่องเที่ยวในวัดตาสงสารนานนากมม่มีคุณค่าเป็นโลกยิยาภาษิตเป็นนรกภาษิตเจยาวาจะเอตมังคลมามุตตะมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นมงคลอยู่ที่กิตที่ใจนา ผู้สนใจในการพ้นทุกข์ในวันตาสงสารเรานั้นสร้างวาระนี้แก่กล้ามาแย้่ยนูนคนเราอยู่นี่บางท่านก็มาในพุทธศาสนานานแล้วบางท่านก็เพิ่งมาระดับมาอยู่ด้วยกันเหตุฉะนั้นไม่ไม่ต้องถือเอาพรรษาถือพรรษาถือตามพระวิอัยเฉยๆอายุแก่ก็ถือเอาตามยุคเสมอเหตุฉะนั้น ้อายุเจ็ดปีสำเร็จพลรหัสก็มีมันจึงเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะบาลมีแก่ก้าวมาแล้วในพบก่อนเราจะจับบาลมีพวกนี้ให้อยู่เสมอเดียวกันไม่ได้เราจะไปคัดค้านหน้าเดียวก็ไม่ได้จะไปคัดค้านทางดีหน้าเดียวก็ไม่ได้เพราะคนเกิดมาในโรกมันสร้างบาลมีมาต่างกันแล้วผู้เกิดตระกูลต่ำก็มีสำเร็จพลรหัไม่ใช่ว่า แต่จะเป็นลูกเศรษฐีหมดเช่นโจรห้ารอย่างนี้มันก็สําเร็จพระละหันเพราะมันยังไม่ได้ฆ่ามารดาบิดาเช่นคนทุกข์คนจนอย่างนี้ก็สําเร็จพระละหันถ้าว่าชาติของเขาแก่กล้ามาแล้วทําไมเขาจึงเป็นคนทุกข์คนจนพราะลาธะพามไม่มีใครเลี้ยงนอนจิ้งข้าวเศษบาตของพระอยู่อยากจะบวชเพราะกป็นลมศาสนาพระราหุน อ๋อให้พระสาธีบุตรไปบวชพอบวชแล้วไม่นานพระสารทพางพระสมเด็จพระหลักนั่งเรื่องจนคนแท้นมันไม่สําคัญเพราะมันเป็นวัตถุภายนอกเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องเสริเสริมมันก็ไม่สาคัญลาบในพระสสดาบวันลาบในสกทาคามีลาบในอนาคามีลาบในพระรหลักนั้ยศก็เหมือนกันสริเสริญก็เหมือนกันสุขเหมือนกันพวกนี้ก้าวหน้าลาบยศเสริเสริญสุขในสวสดา์วันสกทาคามีอนาคามีอหลักนั์นก้าวหน้าไม่ถลอยหลัง ไม่เหมือนโลกิยะนางกีสาโคตมีคนดำดำเอททำไมผิวพรรณนางกีสาโคตมีดำานะักเออเธอไม่รู้จักพระรหัสหรือนะพรบรมศาสดาเหีืห่อเธอจะบาปพระบรมศาสดาคนดำคล้ำมานั่งอยู่นั่นน่ะ ชีพันวันละดำข้ามนางกีสาโคจะมีเออนั่นแหละพระรหันพระรหันองค์โธยจะบาดนะวางนะมณีโยมชั้นวันละมืณีโยมรูปพันธ์สันทัดมืณีโยมตระกูลด้วยพอมาถึงข่าวห้องหอยของมันก็ไปเหตุไฉพระโมกข์ขลาอจึงได้ไปเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิภาษารีบุตรกมนกันทีนี้เราเรียนมาถึงใช่ไหมนี่ข้อยอมไว้ ไม่บุปผากามของท่านเป็นยังไงมาอย่างไงจึงได้ไปเกิดตระกูลมิจฉาทิเฐิแต่ภาษาไดบุตรลืออมานดาได้ลืออมานดาได้ถึงพระโสดาบันพระโมคคลาลือไม่ได้เธอไปไหนโมคคัลาจะหามันดาครับเห็นไหมไม่เห็นพระเจ้าข้าเธออยากเห็นไหมอยากเห็นเธอจงไปไปดูช่องถ่ายไปแต่ก่อนนั้นห้องถ่ายแต่ก่อนมันเป็นห้องหนู ถ่ายลงเป็นหลุมเลยไม่ทําหน้าเหมือนพวกเราเนี่แต่ก่อนเป็นเป็นหนอนเอเป็นหนอนอยู่ในห้องถ่ายทพระโมฆลาก็หมดฟันอาร์ติเทเช่มาดาของพระโมฆลาก็เคยเป็นมารดาของพระละหันมาจนถึงเกศชาติแล้วถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เลื่อมใส พระรหัสถี่ไปเกิดในคนไม่ชาดิธิได้ทําบุพกรรมอะไรไว้เราเรียนไม่ถึงซักถึง ไ, ไ, ได้ไปเกิดอย่างนั้นมันก็น่าจะไปเกิดตระกูลที่เป็นสมาธิทําไมถึงไปเกิดตระกูลอย่างนั้นตระกูลชานาตระกูลคนจนตระกูลพระมหากษัตริย์เศรษฐีอะไรมีทุกตระกูลพระรหัสถในพระพุทธศาสนาของเราหลวงพ่อก็มีหลวงแม่ก็มี นาปตาชาลาก็หลวงแม่นาประชาบดีโคตรมีก็หลวงแม่เหมือนกันนางกุณฑรเกษีก็หลวงแม่เขาอเราภาษาศาสนาก็หลวงพ่อพรายศากลงิ์ก็หลวงพ่อไปบวชพระมหากรัตปาก็หลวงพ่อไปบวชหลวงลูกหลวงหลานก็มีมากหลายอยู่นะ่ะมีอยู่มดทุกชั้นทุกวันนะ เหตุเท่านั้นจึงไม่สงสัยในคําสอนของพุทธศาสนาที่นี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าหัวหูหัวตาก็ดีหัวข้อก็ดีขนชั้นต่ำสั้นสูงก็ดีไปกีบเกลือมันเค็มไหมมันก็เค็มเหมือนกันนั่นมันไม่เลือกชั้นวันนะธรรมะของพุทธลัมมัสสัจาก็อันเดียวกันมันขึ้นอยู่กับผู้ได้มันขึ้นอยู่กับผู้ทํามันไม่ขึ้นอยู่กับผู้พูดเฉยๆเอง ไม่ต้องสงสัยถ้าไม่สงสัยโลกและปัญหาก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราสงสัยโลกปัญหามันก็มากเดี๋ยวเราจะแข่งนี่แข่งเคื่อเขาเขาอยู่นี่ถ้าเราเห็นโลกเต็มเปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยนะจิตใจของเราก็ อ, อก่อนนะจ๊ะเราจะออกลิงออกไล่เพื่อไปชั้นขั้นแข่งกับคนนั้นคนนี้มันก็ เราเข้าใจว่ามีราบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียอดหนึ่งไม่มียอดหนึ่งลาบยอดชนเสือรุกมันเป็นของมาเที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ไปปวดหน้าบาดแต่กสายบางทีพ่อปอลมัสสัดนาไปวินทบาทเต็มขอบาทบางทีมีสองซับก้อนบางทีพ่อปอลมัสสัดสนาได้อยู่ป่าสาบบางทีนอนดินกินหญ้าไม่แน่นอนของอันนี้ที่ไปอยู่ป่าอะไรก็อยู่องค์เดียวกับช้างบางทีก็มีผูทบบริษัทชุดสูงร้อมห้องห้องร้อมเป็นบริวารนั่น อันนี้ไม่แน่นอนแต่จิตใจของท่านแน่นอนแล้วแน่นอนในทางนี้จากโลกแล้วเป็นเพียงอยู่พอสั่งสอนลูกห ล, ล้านๆเนี่ยถ้าไม่สั่งสอนลูกหลานให้ครบเสียแล้วพระ อ, องค์จะเพ่งโทษพระ อ, องค์ตอนนั้นกูก็ยังไม่ทําสั่งสอนลูกหลานกูพุทธบริษัทเป็นต้นเพศหญิงเพศชายภิกษุภิกษุณีอสอุวาสิกา และสมาธิผ่ามถ้าตั้งใจรู้กับธาตุตอนนั้นกูก็ยังไม่ได้สอนตอนนี้กูก็ยังไม่ได้สอนเพราะจะเพ่งทษตอนนี้ก็สอนหมดแล้วอันไหนก็สอนหมดอันไหนก็สอนหมดแล้วข้าจะลาไปละที่นี่ข้าไม่ได้กังวลพวกท่านเอาทําเอายงไงนั่นเถิดเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเราไปแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยแปลว่าคำสอนของเราจะเป็นศาสดาเตียนตัวท่านทั้งหลายนนนเนอเราไม่มีที่จิติตเตียนเราเชลแล้วตอนไหนเราก็ได้สั่งสอนพวกท่านแล้วเมื่อมีที่ดีรับ อานนเอ๋ยหน้าตาของเธอจะไหลทําไมนะเธอปฏิบัติเรามาไม่หวังราบหวังยศไม่หวังอะไรต่ออะไรปฏิบัติเพื่อพน้นทวกนายวัตตาสงสารและเธอปฏิบัติตั้งใจจะปฏิบัติเรามาแต่เพื่อพุทธเจ้าอานนท์ทัดสีเธอได้ปัตถนาไว้อย่างนั้นเราก็ให้เธอตามความปัตตนาของเธอนั่นเองตอนนี้ไปก็ไม่นานเธอจะสําเร็จธระหันในสังขายนาสังทีหนึ่งเน้อนะนะเธอจะประลองให้ทําไม เธอทำบุญไว้มาแล้วนี่เรียกว่าพระบรมศาสดาเทศแบบปอดปอบโยนเทศแบบครูแบบเขียนคือเทศยังไงเทศแบบครูแบบเขียนก็คือเทศเรื่องนางกินจิเถียงกับคาธรามะนางกินจิไปเถียงกับพระบรมาสาคาธรามะพระบรมาสารก็เถียงคาธรามะยุติเทศ ที่ตกลงก็เอยแผ่นดินก็สูบนางนจริงๆเพราะนั้นเรียกว่าต่อรอดต่อขานนะ่ะเทศแบบย้อนถามคือเทศยังไงเทศปัญจวัคคีย์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะสําคัญว่าเรา่าเขาจะสมควรไหมไม่สมควรพระเจ้าข้าถ้าเป็นเราเราก็ไม่ชอบทุกข์าพระเจ้าข้า เออเธอจงรู้มามเป็นจริงเถิดทีนี้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรามาใช่เขาแล้วเราจะยึดถือเอาอะไรเราไม่ยึดถือเพราะจะฆ้าต้องพิจารณาทำเป็นจริงเท่านั้นจะถาภูตามสัมมปัญญากระทัดหาถ้าพิจารณาทำเป็นจริงแล้วความสงสัยขางแคลงและความโลภความโกรธความหลงของเราก็ไม่พยองเออดีละดีละดีละนะกบุมุษมาราเาระนี่เรียกว่า เทศบอกเทศแบบย้อนถามย้อนถามทําไมพระบรมศาสดาไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ว่าย้อนถามเพื่อให้ผู้ตอบชัดไม่ใช่ไม่รู้บ้างข่าวเพระบรมเขาถามพระบรมศาสดาพระบรมศา ส, าสดาทําไมมีคนถามทําไมถึงตอบได้ชัดแท้พระบรมศาสดาได้ท่องบทไว้หรือเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามาคุณทีนี้ชายคนนั้นกําลัง ทำรถอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าดุมมันครับนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่ากงของมันครับอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่ากรรมของมันครับอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าคานของมันครับคุณได้เล่าไว้หรือได้ท่องไว้หรือจึงตอบชัดแค่ไม่ได้ท่องไว้เขาจะพ่าทําไมถึงตอบครับเพราะชำนาญเขาจะร่าเล่ตาตะขาโครก็อย่างนั้นเพราะชํานาญก็ตอบนีอันนี้ ทีนี้อุบายแบบหนึง่งเทศไม่ตอบทีนี้นั่งเอยคนตายแล้วเกิดไหมพระเจ้าข้ามีบาปไหมมีบุญไหมชีพอ น, นันตก็สีละเป็นอนันต์ชีพมันอื่นสีละก็เป็นอื่นใช่ไห ม, มคนตายแล้วศูนก็มีไม่ศูนย์ก็มีใช่ไหมพระบรมสารนิล น, นิ่งทีนี้ทําไมถึงนิ่ง จนมุมดอกหลือไม่ได้จนมุมพราะเหตุว่าคล้ายๆกับว่าโอ้กับผมก็ดีดิฉันก็ดีตาบอดแล้วแต่มาขอเรียนวิชาสมเข็มเพระบระมาศาสตราก็เลยไม่บอกเพราะไมเป็นประโยชน์วิธีเทศเขาพระบระมาศาสตรามีหลายอย่างมีลหลายหนา่าในเทศพระอาดอล์เรียกว่าในายอมโยนในหนึ่งก็ครูอีก พระวักกลิก็ดีขู่พระวักกะลิและขู่พระอะไรถ้าชูถิ่นเธอทําอย่างนั้นมันไม่ดีเธอทํำอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่ดีแต่มันมันมันดีเฉพาะเธอมันไม่ดีเฉพาะนักป่ามันดีสําหรับเธอมูวฆ่ารุษมัวาบุรุษมูวฆ่าปลดระยำแท้ระยำแท้ ถ้าโกรธหรือท่านไม่โกรธท่าพูดให้ผู้ฟังได้สติต่างหากผู้นั้นมันทิ้งแล้วไนงะสําหรับผู้นั้นมันถึงอวาหารประชิกแล้วสําหรับให้คนอื่นได้ประโยชน์ต่างหาส่วนนั้นมันเสียไปแล้วไปซะคําสอนแต่ละวระบาดเทิดส่งต่อพระนิพพานหมดจะเทศสั้นเทศยาวก็ตามที่เทศสั้นเทศยาว เทืสั้นทําทไมถึงเทศสั้นเพราะผู้เพราะผู้บาลีแก่กล้ามาแล้วท่านก็เทศสั้นผู้ยังไม่เข้าใจท่านก็เทศยาวเหฉะนั้นจึงมีทีขาวักกุลวักมหาวรกเทือดคนนั้นอยู่ที่นั่นเทือดคนนี้อยู่ที่นี่เทือดคนนี้อยู่ที่นี่นอนเอามารวมกันก็เป็นแปรเงินเสือพระธรรมขันธ์ไอท้ที่แท้ก็มีควาหมายอันเดียวกัน <laughs> นั่นเร้ามาทาน ฐานะที่ตั้งก็คือกายกับใจของเรานี่เใจของเราน่ะตั้งฐานของใจเป็นฐานสาคัญที่สุดก็มาฐานชั้นที่หนึ่งคือใจชั้นชั้นที่สองคือวาจาชั้นที่สามคือกายพระปะระมาตถ์ก็มัดลงที่ใจพระสูตรก็สูตรของใจพระอภัยนายก็อภัยนายของใจอภัยนายพระสูตรพระปะระมัตถ์ก็รวมลงที่ใจเลยพูดเป็นเอกสารนี่บาทถ้าอย่างนั้นมันปฏิบัติยากทําให้ปฏิบัติง่ายๆ เก็บของเก็บของว่าหดีเก็บของว่าห้ดียิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาเราเอามารวมมาที่ใจล้วหายมันก็รู้ดูก็งามตาเวลาใช่ก็ใช้ง่ายถ้าเอาเอาเอาไว้หรือเอาไว้ที่อื่นหายยากเาพูดโถกเอาไว้ทางทิศเหนือเขาทำงูกก็เอาไว้ทางทิศใต้พขาสั้างโคลงทางทางที่เรออกอกว่าจะควบไปหาองค์ันองค์นี้มันก็ไกลนัก อันนี้จังก็เอาไว้ฟาดฟาทุกขังก็เอาไว้ฟากแผ่นดินอนตาก็เอาไว้ฝากดาวมันก็หายากันเอาไว้ที่แห่งเดียวกันหา ง, ง่ายเมื <ME> ่อเห็นหน้าก็าเห็นตากันเห็นจมูกกันนั่นเมื่อจำหนังก็ถูกเมื่อถูกกรดูกเหมือนกันนั่นอยู่ที่แห่งเดียวทำทั้งหลายมอยู่ที่แห่งเดียวมีอยู่ที่แห่งเดียวกัน ทึ้ความสงสัยตอนไห น, นก็คือใจเป็นผู้ทิ้นจะผูกปัญหาขึ้นตอนไหนก็คือใจเป็นผู้ผูกเมื่อใจเห็นว่าโลกทั้งปวงเห็นชาติทั้งปวงพบทั้งปวงมีแต่ควาทุกข์แล้วทีนี้ใจจะไปยินดีอะไรในโลกทั้งปวงนั่นเหตุฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาทุกเนืองๆให้พาาจจิจารณาอนิจจังจังเนืองๆพาวิตาพระโหติกต า, า, ต า, า, ตาสัางวัดตันติอภิยยนัาาายนิพพานะโยโติยะท่านทั้งหลายจะพ้นจากเกลียดตั้งปวงถึงโพธิสมภารคือพระนิพพานเป็นต้นคือพระนิพพานเป็นที่สุด ไม่ต้องสงสัยก็มาถามใดๆก็ส่งตอพระนิพพานทั Th ้งนั้นยุบหนอทองหนอยุบหนอพองหนอใครเป็นผู้ว่ายุบหนอพองเนอก็คิดใจเป็นผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีกิจิจมีใจจะว่า ย, ยังไงได้ยุบเนอพองนะใครเป็นผู้ว่ายุบใครเป็นผู้ว่าพองขอเพาะใจเป็นผู้ว่าเนี่ยใจจะมาเกิดยุบหนอพองหนออยู่นี่หรือหรือจะเข้าสู่พระนิพพานนี่ใจยินดีไหมที่ยุบหนอพองหนอหายใจอยู่นี่นี่ ใจจะเบื่อนายไหมใจใจยินดีนะพระนิพพานไหมหรือใจยินดีในมายุบมายุบหนอะพองหนา อ, อยู่มาหายใจเขาออกอยู่นี่<ม>ก็ใจก็ต้องถามใจดูนะบางท่านอะเอาเทวุธเทวารามาอวดกันอย่างนั้นอย่างนี้เทวุธเทวารามัานตายไม่เป็นหรือนั่น <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดถ้าเทศปฏิบัติแล้วไม่มากถ้าเทศปริยัติแล้มากไม่อด ออกกัดคำพีนี่เข้าคมภีนั่นคมภีรไหนมันก็เข้ามาใจนี่เองออกไฟไปจากใจนท่าเทพปฏิบัติมาบมากถ้าเทพป ร, ปรยิปรปรยัติมังกรมาแก้วแปดหมื่นที่พระธรรมขันมาเล่ามันก็หมดเกินมันก็ไม่หมดท่านเทพอยู่สีทวาวันศานยนของท่านลงมาที่ใจท่านก็บอกว่าให้ยนลงมาที่ใจนะเคยทำเคยเจริญกรรมฐานอะไรเออ นั่นแหะพุทโธอยู่ที่จจห น, นโมเรียกหนโมผานโมบัดหนโมวเบือนมันเป็นหนโมโลคียะพุทโธกขมือนกันธโมขมือนกันทังโขขมือนกันศีลขมือนกันรักษาศีลเพื่ออาม mith ปฏิบัติธรรมเพื่ออา mith ปฏิบัติธรรมเพื่อลุตเพื่อพ้นมันเป็นโลกุตตะนั่นปฏิบัติธรรมเพื่อหลอกกินขนมเขามันเป็นโลกี <c oughs> ปฏิบัติธรรมเพื่อเอาลุกพ้นจากวัฏาสางสารมันเป็นโลกุตระมันขึ้นอยู่กับเจตนาส่วนเจตนานี่ไม่มีใครจะเป็นพยานกันได้ต้องลูกนะลูกของใครของมันไม่มีใครเป็นพยานกันได้เราเป็นจริงเหมือนคําพูดหรือไม่ก็เราเป็นผู้ลูกเราไม่เป็นจริงเหมือนคาพูดเราโกหกก็เราเป็นผู้ลูกนะครับมันจะต้องมีพยานอยู่นี่ความจริงก็เป็นพยานทางจริงความชั่วก็เป็นพยานทางชั่วความจริงก็ไม่หนีจากความจริงความชั่วก็ไม่หนีจากควา ม, วามชัว่ว ความจริงก็มีพยายนทางจริงเหมือนกันความเชั่วก็ต้องมีพยายนทางเชื่อถูกไหมนั่นมันเป็นพยายนอยู่ในตัวทิศนาบ่อยๆอาศัยธรรมบ่อยๆอาศัยทําเป็นอาหารของกจเลยเป็นพลี้งนางนมของกายเลยเป็นอาจารของกจเลย เพราเราไม่เป็นว่าเสืียขาดเอาเป็นเครื่องดูดของใจเลยเอาเป็นอาหารของใจเลยกายกินอาหารเป็นวังเวลาผู้กินว่ากลาวันละสามมือ้อภาคากลางวันละสมือ้อส่วนใจมันกินอาหารยังไม่มีกลางวันกลางคืนก็ขอให้กินอาหารพุทโธนะโนั่นจรลนผู้พาวนาพุทโธ ย, ยังไม่มีกลางวันกลางคือผู้นั่นเขาตื่นดีแล้ว เขาออกดีแล้วพระบรมสาสาีรัตนย่างกำจั่มเขาก็ถึงสุปฏิปโนแล้วเนอะพระบรมสาสีรัน์นี่มีโยมคนหนึ่งประกาศเือพรมมาาะพรมศาสดาัเมื่อครับผมไปในเมืองสาเกตก็ดีไปเมืองสาวัตถีก็ดีในทางสี่แพ้่งสองแพร่งสามสามแพร่งก็มี ได้ระวังรถมา้ารถวัวเขาแต่ก่อนเรียกว่าลัวรัวนั้นมันเป็นตัวเล็กกว่าม้าบ้างเทียมรถวิ่งแต่ก่อนไม่มีเคือยนต์กลไกลเหมือนทุกวันนี้ก็มาเนี่ยได้ระวังซ้ายขวาถ้าไม่ระวังเขาก็ชนจริงๆเขาจะฆ่าทีนี้ก็เล ย, เ ล, ยลืมบมุญกรรมพุทโธซะเมื่อตายในเวลานั้นจะไปเกิดไหนพระเจ้าฆ่า อัมพะบรมศาตดายอัมพะบรมศาสด า, า, สาก็ตรอกไม้ต้นโตโตมันเอ็นต้นโตโตหมายความว่าศรัทธาแก่กล้าแล้วเอ็นไปทางทิศตะวันออกหมายความว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วเอ็งไปในทางพระพุทธพธรรมประสงค์มากแล้วหมายความว่าอย่างนั้นทีนี้ไม้ต้นโตโตมันเอ็นไปทางทิศตะวันออกแล้วใครจะไปโค่นมันมันก็ล้มตึงลงทางนี้มันมัน ไ, ไปเหวี่ยงไปทางอือน่นทา่านผล้ชมครับ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราตายในเวลาไหนก็ไปสุคติเพราะจิตใจของเราหนักในพระพุทธรรมประสงค์ฝังลงึกแล้วแผ่นดินสองแส0สี่หมืนโยธเขาเอารูกระเบิดปรมาณูทำลายแตกนี่เราพูดในปัจจุบันส่วนจิตใจของเราฝังลงในพระพทธรรมประสงค์แน่นแล้วไม่มีใครจะทำแตกพ้าบรมศาสดาเข า, ศาวสวดถอนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพรบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศา จึงไม่กล้าสวดถอนพระสวสดาบาลมาให้เป็นพุทธชนคนหนาเคยจงเป็นพุทธชนคนหนานะครับบนคาถาประมาณนี้ก่อนทั้งทั้งหลายทั้งงใต้โลกธาตุที่เป็นพระอรหันต์จงมาสวดพระ ก, กอรพระขอที่ถึงพระสสดาบาลแล้วให้เป็นพุทธชนเถิดท่านก็สวดถอนไม่ได้เหตุฉะนั้นท่านจึงเคารพธรรมธรรมนีอํานาจเหนือท่านท่านจึงเคารพธรรม ท, ทีนี้ คนเราถ้ามันดิ่งไปในทางถูกแล้วมันก็ถอนไม่ออกถ้ามันดิ่งไปทางผิดก็สวดถอนไม่ออกอีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นจึงสวดถอนพวกครูทั้งหกไม่ออกจึงประพากันไปกระโดดหน้าตายหมดที่เมื่อเวลาพระองค์เจ้าแสดงอย่างมกเคยได้ยินไหมเคยเคยได้ยินไหมถ้าไม่เคยได้ยินเหตุฉะนั้นจึงไม่ได้สวดถอนพระเทวทัตออกได้พระเทวทัตเบียดเบียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันดิ่งไปทางผิดแล้ว มื่ดิ่งไปทางผิดต้องกระสวดถอนไม่ออกเมื่อดิ่งไปทางถูกก็สวดถอนไม่ออกเหมือนกันเหตุฉะนั้นผู้ดิง่งถือว่าตายแล้วศูนย์เราจรึงถวดสวดถอนไม่ออกเมื่อเขาเห็นโทษเองเขาก็จะกลับเองเหตุฉะนั้นพระธรรมของพระโพลวุสานเจลาจึงเป็นพระธรรมที่ไม่ข่มเหงให้มีสิทธิ์รู้เองมันจึงไม่ขบคืนให้มีสิทธิ์รเรื่อมไสเองถ้าเราจะเอาเงินไปเจ้างให้เขาเลื่องใสศาสน า, า, าพุทธเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดิน พอหมดเงินแล้วเขาก็ขบวดคืนเพราะเขาไม่เห็นเองถูกไหมนั่นเหตุฉะนั้นศาสน า, อ, าอื่นๆเอาเงินจ้างกันเพื่อแข่งดีศาสนาพุทธเออหมดเท่าใดเท่าใดก็ไม่เห็นสู้ศาสนาพุทธได้นั่นพอเขาหมดเงินแล้วขบวดคือขบฏดคื น, บ, คนบางบางคนเขาก็ไปโกหกพวกลมออกพวกที่ไม่ถือพระสดาวั m แต่พวกถือพระสดาวั m มันไม่โกหกพวกลมออกของใคร ถ้าไปโกหกพวกลมเอาของเขามันก็เป็นบาปมันไม่ไปมันถือศาสนาพุทธมันจะทำท่าไปเข้าศาสนาอื่นเพื่อหลอกลวงเอาเงินเขามันก็ไม่ไปเราพวกพระสดาบันมันถือว่าเป็นบาปนะผ ม, มเห็นทำแล้วพุทโธพุทโธไม่ได้รำมา อยู่กขาพูดโทไปกขาพูดโทนอนกขาพูดโทนั่งเขาพูดโทลับขาพูดโทแต่ทาท่าทำทางหรือไม่ทาท่าทงทางมัเป็นปัญหาผีก็มามาใกล้สิลปศาสตร์ก็มามาใกล้ไปรับไปเรือมันก็ไม่ข้าเป็นอันตรายโจรก็มามาใกล้ยักขาโจรารที่สัมปวะขณะนั้ะจมุตยานางคริตตันตัมพนามาเหเราจึงระ ล, ลึกถึงคุณ พ, พระผู้ประทมประองเถิดพระบรมศาสาีรัต ้ัชกัสูตนเอวัมพุทังสรันตานธรรมังสังขัญยพิโกพยังมาชัมพิตตังวาโลมังโศนะเหตุสติติผู้ใดระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์กลมกลืนกันอยู่จะว่าพุทโธก็แล้วกธรรมโอสังโฆเพราะธรรมโมสังโฆก็รวมอยู่ที่พุทโธเพราอัปซัมย่อพุทโธจะว่าธรรมโมก็สังโฆกับธรรมโอก็อยู่ด้วยจะว่าธรรมโมก็พุทโธและ สังโคก็อยู่ด้วยจับเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็นี่เป้าหมายอันเดียวกันและไม่สงสัยตัวเองด้วยเราจะว่าพุทธโธธรรมโอสังโคทั้งสามคำก็ไม่สงสัยเราจะว่าคําเดียวพุทธโธก็ไม่สงสัยเราจะว่าธรรมโมอันเดียวก็เราก็ไม่สงสัยเราจะว่าสังโคอันเดียวเราก็ไม่สงสัยเพราะอยู่ด้วยกันแล้วกาตีนโนนาหุนตัมปีวัตถุตัอัญญามัญยาวิโยคาวะเอคีพุตัมปนัตตาโตพ่อพันกันอยู่หบนเชือกสามเปลี่ยว จะเกลียวได้เกลียวหนึ่งก็ถูกเหมือนกันเพอาพันกันอยู่แล้วสัมพยุตกันอยู่แล้วไะ่ต้สงสังสยหรอกพวกถึอพุทโธพวกถึงพุทโธเป็นพวกเป็นพุทธมามากะ <c oughs> พุทโธให้ลูกจักทานศีลภาวนาพุทโธให้รููจกัททจกละบาปบปําเพ็ญบุญธรมโมสังโฆก็อันเดียวกันนี่ข้อหมายอเดียวกัน เราไม่ต้องแต่แยกออกน้กโมก็เหมือนกันน้โมก็น้อน้อมพระพุทธพระธรรมประสงค์ของเก่านลยนะพุทธทานก็เหมือนกันก็ถึงว่าพุทพระธรรมประสงค์ของเก่าะนะธรามทัม้งการก็อ่านเดียวกันของอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสยัยพุทโธชั่นพระสวัสดาิบันฑพุทโธชั่นพระสัาคามีพุทโธชั่นพระอนาคามีพุทโธชั่นพระอรหันต ถึงพระอรหันต์แล้วกระจบพทพธ์ละเข้าสู่พระนิพพานละนั่นอันเดียวแล้ต้องสงสัยหรอกข้าใจดีนะใจบางคนนะอ่ะเอภาวนาพุทโธไม่ดีก็ไม่ดีโตไม่ตนไม่ภาวนาตนสงสัยมันก็ไม่ดีสิผู้เขาไม่สงสัยมันก็ดีสมาสมาอรสมมาอรหันต์กับพุทโธก็มีความหมายอันเดียวกัน สมาอาหังอหลหังก็ไปเอาผู้ไกลจากกเลิดพุทโธก็ไปเอผู้เบิกบานไกลจากเกลิดเหมือนกันนีความหมายเดียวกันยุบหนอะพองหนอะก็อันเดียวกันนะอืมพระธรรเบื้องต้นเดีย๋ยวพุทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหนเกิดดับเป็นแต่ผู้บริกรรมท่านพุทโธเป็นมหาอนันตคุณคุณของพุทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหน เป็นวิสังขารคุณเป็นคุณอันไม่ตายเป็นธรรมอันไม่ตายพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธแท้ก็คือพันิพาณธร ร, รมรรรโมแท้ก็คือพันิพานสังโฆแท้ก็คือพันธิพานโอนถึงพระนธิพาณรรก็ได้พุทโธนะนับไม่ใช่เบื้องต้นล่ะเบื้อปลายก็ได้เหมือนกันเพราะว่ากัลิเก็เจริญพุทโธสมงเวจพลหันผู้เจริญพุทโธสังเด็ชพระลหัน ก็พวกนั้นเป็นศรัทธาจริบพุโทโธสอนให้รู้จักโลกสงสารพุโทโธสอนให้รู้จักสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพุโทโธสอนให้รู้จักโลกทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงธรรมโมเหมือนกันทั้งโคหมือนกันเป็นทุกข์พุโทโธไม่ให้ยินดีในโลกทั้งปวงพุโทโธให้ยินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวนั่นก็มีความหมายเดียวกัน เราจะไปนหรือไม่แปลก็ไม่เป็นปัญหาทางกรุงเทพมีน้นกอย่างนี้ไม่มีอยางเงีไม่มีมีไหมเขาเรียกนกอะไรไม่ทราบเขาเรือกชวกรุงเทพเรียกว่านกปูดไม่ร้องปูดปูดปู ด, ปดชาวภาคอีสานเรียกว่านกกดชึงเหล่า น, นี้นจะเกิดมาเกิดมาตายมันก็พวกเราหมด มั น, นช่นางน่าไปสมควรเนี่บบอไปจากกันเถอะคือเป็นผ้าหมอฮะบวดอัน พ่อาซีอดยดงที่พ่อทานเนี่ยมันสีมีมันอยู่ตีน่างเงถายเถ้าย่างนั้นถ้าย่างนั่นก็ฝากไปยุ้นํำเพิ่มในจานเฮียงว่าไรวะมันมีนมันอยูอ่อ เ, เออ ท่านที่ยังคิดลับได้ป๋อเราบวนแล้วเขาต้องคิดวมากบ่นแล้วอเอาใจใจพูดนั่นแล้วแล้วว่าจะเพิ่งรับให้อันนี้มันเต็มมั้ยหล่ะทีนี้ตรงไหนนี่มันมดปัญหาหระบ่นเรากะว่ า, วกววางกัน มันเล่ากัแล้วอันนี้เต็มอัดเจ็ดไปดีก็เหตการนี้มันไม่ต้องเิดอันสมัยพระศิวะพระเจ้าพระสงอันสมดยท่าหยากอย ไอนน้สงเดิวัตพระเจ้าพระสงฆ์ปฏิวัติูวัดพ้นในราคาพะ า, าหวานผูกพ้นตทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ตลนี่า ข, ขาดัยัีม่มีการเบียดเบียนครัเกิดบ้าเขาไม่โลกที่ฮ่นเขาสูพนิผ้านไปแล้วพระพากระทีท่อยู่คลองทรัพย์ายที่พนิผ้า ไปถึงพระ น, นิพานแล้วกระจกคนเราไปหมดทอนทางอยู่ที่พระนิพานเนื่อใจโลกธาตุยังไม่หมดทอนทางไม่ไปทางบาปก็ต้องไปทางบุญเมื่อบาปกราบพอแล้วบุญก็กสร้างพอแล้วพอเข้าสู่พระนิพพานไปท่าแล้รา บาปก็ยังไม่ละพอบุญวก็ยังไม่ซาพอเหตุเช่นจริงละบาปบำเพ็ญบุ่นอยู่ในกางวันกลคือเมื่อเต็มตื่นแล้วเขาเข้าสู่พนะนครนล้วมันเต็มมันก็เต็มในที่หัวใจถ้าบกคล่องมันก็บกคล่องในที่หัวใจพระรหัสมีมังพอแล้วเพราพอแล้วนะไม่ต้องการในวตัตสงสารเพราะเคยได้ม า, ล า, ลออ า, าแล้วจะลาแล้วแต่จบเกียณพระรหัสมิจบเกียณอาออกสังคมเข้าสู่พระนาน ไม่มาหาสังคมอีกเรายังทําไม่พอบาปก็ยังละไม่พอบุญก็สร้างไม่พอละพอก็พออยู่ทีใจบุญสร้างพอก็พออยู่ทีใจไม่ได้พออยู่ที่อื้องใจแต่ไหนก็ไม่ได้หาไปเหี้ยโจนก็ไม่รักล้มน้าก็ไม่ไหม้ล้มหน้าก็ไม่หายตัวอยก็ไม่ไหม้ ลมพัดไปก็ไม่ได้พายุ ก, ก็ไม่พัดบุญยังโวยทูลังบุญโจนนํำไปไม่ได้ไม่ว่าแต่บุญอบากโจนก็นํำไปไม่ได้ปุญญาณนี่ยปราร o สตังแหิงพรทาหนติโผปลานี้นำปลานี้นำติดบุญเป็นพึ้นของสับทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้า บาปก็เป็นที่เบียดเบียนทร้อมกับทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าเหมือนกันนั่นในอย่างยิ่งคือชาติเขาสูขในความบาปมันก็ตามไปอยู่บุญมันก็ตามไปอยู่ชาติเขาเข้าสูขเขาในคามแต่มันตามไม่ถึงพราหันอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญไปแล้วบุญก็ตามไม่ถึงบาปก็ตามไม่ถึงถึงก็ถึงแต่เลืนว่างว่างเปล่าของท่านที่ท่านไม่ยึดถือ พระโมฆนาถูกก้อนเขาตีไปทุบไปตีแล้วถ้าเขาว่าไปตีน้ำลายของท่านท่านบนพิน้งแล้วแล้วกับเอาไฟไปเผาน้ำลายของท่านท่านก็ไม่ได้โกรธท่านก็ไม่มีเว ไ, ไฟเพราะท่านมีอุปาทานอยู่ในขันท่าแล้วกาโมปาทานถือมันในกาบสุตปาทานถือมันในคิดทีสีระพสุปาทานถือมันในสิ่งพุก็ไม่มีในท่านท่านอดีตท่นานอนาคตท่างปัจจุบันด้วย ให้เข้าสู่อัานี้ไปไปก็เราก็ต้องไปที่แห่งเดียวกันแต่ยังมันไม่ถึงแล้วทหลายในตจโลกธาตุจะไปพระนิพพานทุกๆท่านทุกๆุโลกทุกๆนามตลอดถึงแรงเม้าแต่ไม่รู้ว่าคิวไหนแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดยังไม่มีคิวเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจ่งมีมากมากกว่ารอยโกรธอันนี้กษัตริยตะโปตระโย ตะโกตะโยไม่พอมันจะต่อประทัดนี่พระพุทธเจ้าแปลเป็นไทยเขาพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยปที่ร่อยกวแล้วก็ดีจะมาในครั้งหน้าก็ดีในอนาคตก็ดีเป็นธรรมอันเดียวกันแต่ละพระองค์นี่แต่ละกลับก็อาศงไขอาศงไขกับแล้วกับหนึ่งกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้างสี่พระองค์บ้างสามพระองค์ว่างกับหนึ่งกับหนึ่ง แพระพุทธเจ้าก็เ อ, อ, อ, อาสองไข่เอาสงไข้แล้วเองโรกในปัจจุบันเขานับกันถึงล้านนั่นล้า น, านทางพุทธการพระพุทธศาสนานับถึงโกธนับถึงอาสองไข่อาสงไข่นับถึงอะหุตอาสงไข่อาสองไข่อีกที่ด้วยอสองไข่อาสองไข่กลับทางพุทธศาสนานับคําว่าอาสองไข่มากขนาดไหน เนื้ทินเม็ตายเนี่ยเท่ามหาสมุทรสมหาสมุทรก็ยังไม่เท่าอสงไข่หนึ่งจนหาที่ไปไม่ได้อาสงไข่เนี่ยเยาะอาสงไข่หาที่เขียนไม่ได้เยาดเยียะถึงขนาดนั่นแหละอสงไขอาสงไข่หนึ่งอสงไข่หนึ่งทีนี้ร้อยอาสงไข่ก็ยังไม่ไม่มากมือเนี่อสงไข่ก็ยังไม่มากอาสงไข่อสงไขก็เปรียบเหมือนละล่าน พระพุทธศาสนาพุทธมีนับอาสองไขยอาสองไข่ที่ล่วงไปแล้วที่จะมาอีกเหมือนกันศาสนาอื่นๆมันก็มาเกาะศาสนาอื่นแลัที่อื่นก็มาเกาะมาเกาะเพื่อจะชิงเดน่นชิงมันก็ชิงไม่ไวมันตรงนั้นมดมันตรงนั้นไม่เขื่อมฟันไปนักดฟูเขาที่มาเลยนะศาสนาอื่นมันมันจะมางัดพระพุทธศาสนา มันงัดไปได้ทุกๆกทุกทุกทุกอยเลยมันมีแสงมันอยู่ทุกๆุกทุกขมอยน่ะอืแต่งับไม่ไหวนับพระพุทธศาสนายิ่งงัดก็ยิ่งนับพลิบมะลุกยิ่งค่องปาคว่างใส่หินด่านก็ยิ่งกระเด็นเข้าหน้าผากนักโมเอกก็ลบไม่ท hmm. ันคว่างไกลมันก็ไม่ถึงคว่งใกล้มันก็นักโมเอกลบไม่ทันรักที่อื่นๆมาเบียดเบียนพระพุทธศารสนา มันก็เท่า ก, กับว่าในตจโลกธาตุแห่งบ้วถ้ากันบวนน้าลายซึลิงไฟมันไม่ถึงอ่ะมดัดใจโลกธาตุ ม, มัดพรมโลกมันต้องไปถึงฉันในกดก็ดีมัดพรมโลกจะมาเบียดเบียงพระพุทธศา ส, สนาก็าเบีดเบียนไม่ได้มันชิบหายอยู่ในตัวมันผลของกรรมทําให้ชิบหายเองพระพุทธศาสนาไม่ได้ทําให้ชีบห า, านีานาลยเนี่ยชนะเจ็ดนั่นผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างมารรคมา พื้ น, น <c oughs> แล้วผู้ที่เบียดด้วยนะผูทีศาสนาก็แค่ค่ายว่าโลกันตะนรกขุ่มมืดนั่นเอง <c oughs> พู้เถือไ ม, มนมีบนไม่บาปก็คือตกนรกขุ่มมืดนั่นเองโลกันตะนรกมืดอ้นจนไม่รู้จักนี้จักตัวจนไม่รู้จักเหตุจักผลมัน่รู้จักุนจักรต่ํามื่อ้ถ้าเทียบในทางโลกก็สนเข้มไม่ได้ ไม่ไม่มีวิชาใดจะสนเขยมได้ก็าตาบอดแล้วนรกขุมมืดก็คือผู้ที่ว่ามันมีบาปมีบุญนั่นเองในมันโลกตายไปแล้วมันยังมีอีกผลของกรรมมันตกนรกขุมมืดไปเอว่างับคือโกการพักใหม โค้ดโม่ัโค้ดักโ้ดโักโท้ดม่สักโค้ทโมัค้ดโ่ักโค่กค้โมั้ดโกโค้ดโมักโค้ดโกโดักโ้สัก้โ่ก่สักดมั่ักม่้ัมัคัโ้คคดคดั้คดัก่ส่มค ครับทั้งซอยกันครับทั้งสารธรรมออกเครื่งหนึ่งทั้งความแกนออกเครื่งหนึ่งของซอยพสิพิมจษกเลยมก่อนจกที่น่มืนเลยครับกัดคซอนนะครับสิ่งพิเใช้อะไรร่องพิเพิเศยู่รงพิเศษเก่าครับฝานี้เขาไปติดต่อไว้แล้วหันที่มื่เลยต๊เลยมาสิบสี่บาทเริบสี่บาทิบสี่คูนเป็นเท่าไริบี่หนึ่งเป็นสิบี่เป็นเท่าไหันแสซีครับแสนซวกองนใช้มาพอครับทอดกันหางทอยกันหางสารธรางออกไปเคร่งหนึ่ง บงอย่งออกตึงนึ่งครับโหย้ำมือไปแล้วเขาบริดอุ่นด้วยเขาอกยังโบราณรงคูไ่เขาตามแถบน้องหานนี่เขาเรียกตามโบราณทีนี้ไปเขียนบ้านพึกเมืองปักอะเมือปักเมือปักปักคงใช้เมนก็อยู่โคราชเดี๋ยวคนจะเข้าใจอันนั้นแต่ก่อนบ้านดูโรงนาเดี๋ยวนี้เ้ามาเปลี่ยนเป็นบ้านดูหัวนา อำเภอปักทองใจเป็นคนลาวมารดาของเราก็เกิดที่นั่นเกิดบ้านดู่ข้างนานบ้านดู่ลงนานขึ้นมาทางรอนแตน่ราชการษษที่สีหรือที่ห้าไม่ทราบมันมีในประวัติเดือนกังมันมีแล้ว <c oughs> ลเราผ่านทุกมาถึงขนาดนั้นประวัตอ่านให้จบอ่านให้จบแล้วก็อ่านดู อา่านดูคานำด้วยอา่านนั้นเฉยไม่อา่านดูคานำไม่ดีแล้วมีความประสงค์ยังไงจึงทำขึ้นเพื่อโดมดังอะไรเพื่ออะไรต่ออะไรจึงทำขึ้นต้องอา่านดูกันให้สบเดี๋ยวจะเพิ่มเพืการตายค่ะเ <laughs> ดีัด เท่ยวกันหน่อยไปด้วยกันเที่ยวกันหน่อยเนาะคนละคนก็ผู้กสลังผู้นั้นผู้นั้นก็ได้ให้ไม่ได้ให้ดิศขออภัยเนาะขออภัยลุงโลนหนาไม่ให้ดิศเพรมันมีแค่เงเดียวมันมีแค่เงเดียวก็ให้ผู้ที่กบ่าวนาค่ะเอาเส้นทุพินิจไ เช่นเคยเห็นไหมครับไปลูกปูดดีเพราะว่าหัวใจดีดีหลายเพระวลาบอกมือเหมยเลยคันเราหัวใจหอมเนี่ยเดื่อก่อนน้่นเราบอกมันหอมผนี่ครับวาอกไปถ้าไมเกิดปีตี๋สัมแห้งห้องแห้งเพื่อนคนนี้แต่คันเราหน้าด่างกัเหมยอี่กันได้ครับเออผมไม่อยู่เนาะเอ้ย ในซั่งเนี่ยหมูลูกนโรคแลนอยากต้องการชิบพายไหมใครต้องการชิพายใครต้องการชิบหายให้เล่นเลขใครไม่ต้องการชิบพายอย่าไปเล่นเล่ดรัฐบาลก็ชิพายเหมือน้เกันให้เล่นหวยใครต้องการชิพายหน่้วเล่นไพ่ก็ชิบพายเหมือนกันเล่นโบก็ชิบพายเหมือนกันอะไร อบายามุกทุกประเภทชิหายหมดให้เว้นซะใครอยากร่ำรวยอยากรว<ง>ยให้ๆๆาาเว้นอบายามุกเว้นบายมุกทุกประเภทเว้นเหตุให้ชิดหายเว้นซะ มันมีปัญหาหนึ่งคนในเมืออเป็นไรคือความเครียดนะครับหะกังวลใจรีตกเป็นสังข์สีเป็นทุกไม่ตกเรื่องความเครียดความกังวลความเครียดความกังวลมันจะประจบกันในพระรหันต์เนอถ้าเป็นพุทธชินยุทธ์เราบ๊วยจบประจบกันในที่พระรหันต์ความกังวลความกังวลความอะไรอาลัยสมุคคาโตความอะไรไม่มีในพระรหันต์ อริยะสมุขาาตุวัดตัไปตัดเสียซึ่งวัดตักตัณห์คาโยตัณหาทั้งหลายกามตัณหาเพราะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ไปขาดที่พระหลานวิลาโคความสิ้นกำนัดในพระรหลานนิโรโทดับชนิดแล้วนิพพานธรรมธาตุอนหาเครื่องเสียแผงไม่ได้มันจะระจบกันที่นั่นถ้ายังไม่ถึงพระอหลานเนี่ยยังไม่จบเลยความกังวลเป็นมนุษย์ทุดจริตดีให้พ้นความทุกข์ยากความความกังวลจงให้พ้นได้เนอะ เป็นมนุษย์ุดจะปหลีกหลีกให้พ้นความทุกข์ยากความกังวลความกังวลในอดีตในอนาคตปัจจุบันความกังวลเพื่อจะไปพระนิพพานไม่จัดเข้าพราเป็นห้นทางออกนผูเป็นกังวลจะไปพระนิพพานทุกวันนี้มันเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวตายไปพระนิพพาน ต่ออีกลไปเียวิการต่ออีกแล้วต่ออีกแล้วแล้วตั้งแบบตตฟังอ่นอ้ เขียนในกองสองสมุดสันนี้ผมจะถวายเงินสมัคบสมัคถวายปัจจัยให้ลูกภูครับรูปที่เป็นแขนที่ไปอินภูภูเคยมาไหมภูจำได้บ้นี่เออ ไปยก่เนาะมาจิ้บุหรีลูกู้อปีาันี่ฮะลูกที<า>่อสองอเนผมเป็นลูกเขยกับลูกเออเป็นลูกเขยอันเี่สอินมาด้ระจักษ์การลุงพูน่เงเออซื้ออะไรนี่้อสั่งาใจละค่ะลูกน ก็ขอพ่อหลวงปู่เปนอยากเขาเตรียมอุดมค่ะแลวงปู่ก็คือแพ่เมตตาให้นี่เด็กเล่นเป็นม้ของ่หลวงปู่โดยเด็กโคตรพระพุทธเจ้าที่ไปเรียนหนังสือนำวิทยสวามิตะเมื่อมีพระราชกุมารอื่นงจะเที่ยงถึงจงมาเป็นที่จำที่เบิ่งแกโตเปโตได้อบได้เนอะลาัาบที่่ล่าค่ะไมสมก็สมในทางที่อ ไว้สมสงค์่สร้างที่ชอบเราเดี๋ยวพุมาคประาประสงค์ไ้สมประสงค์ทส้างที่ชอบทุกท่านทุกคนเลยใ่ครับแล้วแพ่เมตตาให้สมประสงค์ที่้างที่ชอบโมมี่สร้างไม่ถาวิตที่สรางสมาทิศแพ่เมตตายเขาเดียเรยกเรียนพระนะมิตราธิตินะมิตสาธิีิเต็มปุกนะ แค่เมตตาเขาได้ข้ามข้ามวันที่สุดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเบือ้อ ง, ง, ห ใ, จจ ง, งให้มันดูข้าเบ้านหน้าให้มันดูมันสู้ดูก็ได้สู้เพา่อพยาย่ามาฝนตกลงมา บ่อยผ่นดินก็ชุ่ามาบ่อยภาวนาาบ่อยคิดก็สูงมาบ่อยเหมือนกันอันเดียวกันถ้าบุญ ม, บ, มบ่อยอ hh, คิดก็สูงายบ่อยถ้บาบ่อยบ่อยคิดก็ต่ำลงมาบ่อยนี่แวัันมัอารมณ์ของบาปกับอารมณ์ของบุญนันคือกัน อ, คอัคูอารมณ์คิดอารมณ์ใจอารมณ์ไปทางบาปกับอารมณ์ไปทางบุญคือกันอคัคู เราต้องไ้งบนยืงคุโ้ดทั้งโมทั <hatten> after, ้งโค้เป็นต้นนี่เราดูึงขั้นสิ้นภาวนาเางขั้นสติธรรมนึกสติขั้นนกสติในขั้นโกบาทั้อ้อมบ้จากข้นนึกสติเราดูถึงท่านของนที่บริจาคแล้วในขั้โกงนขอ้อมบ้าทวามดือความั้งมีมีสัญญาณไปทังนะชี้านนสติเลยชิ้นๆของนที่รักษาแล้วปฏิกำลังรักษาอยู่ปดีัญญารักษาทางนาปิจัดเป็นมูลมัด บุญก eh ิจว <t> ัตรทุกสมอย่างแปลว่ากิจวรที่จะทาบุญธานอะไบุญสมเด็จด้วยการบริจาคทานที่ทำมบุญสมเ็จด้วยการนัษาศีลภาวนาอรบุญสมเ็จด้วยการเจริญภาวนาอจายะทไมบุญสมเร็จด้วยการบรรพชลเจ้ผู้ใหญ่วยาวัตรจะมบุญสมเร็จด้วยการช่วยคนไในกิตที่ชอบปฏิทานอะัยบุญสเด็จด้วยการให้สมบุญทาบุญแล้วคิดถึงใจโลกธาตุปัตานโมทนาอะไรบุญสมเด็จด้วยการอนโมทนาสมอนโมทนาสมบุญจะอนโมทนาด้วยอามิตรหรือม อนุโมทนาด้วยน้าใจก็ เ, เดียกประธานโมทนาใหม่ทั้งนั้น